อย่างที่บอกนะครับมีคำกล่าวไว้ว่ามีเพื่อนพันคนไม่นับว่าเยอะนะครับมีศัตรูคนเดียวเนี่ยไม่นับว่าน้อยอันนี้เป็นความจริงแท้เลยซึ่งไอน์สไต์เนี่ยมีศัตรูไม่ใช่คนเดียวศัตรูเยอะผมต้องการจะชี้ให้เห็นว่าบางเรื่องของไอน์สไตน์เนี่ยเราไม่ต้องไปเรียนแบบเขานะ ชีวิตเซเลบแบบนี้มันแบบมันดูแบบว่าทุกคนยอมรับเชื่อถือประสบความสําเร็จในอาชีพการงานแต่ดราม่าในชีวิตจริงเขายังมีอยู่ใช่ไหมพี่ปอแน่นอนนะครับและเราทิ้งเรื่องนี้ไม่ได้ครับเรื่องแซบแซแบบนี้นะฮะตอนแรกคิดเหมือนกันนะเอามาเล่าดีไหมแต่มันไม่เล่าไม่ได้ชีวิตมันต้องมีหลายมุม You're listening to the Standard Podcast the eye-opening experience for your ears ได้ในโลกล้วนฟิสิก พอดแคสต์วิทยาศาสตร์เนิร์ดๆนที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกส์จากสิ่งรอบตัวพูดถึงชื่อเอาเบิร์ตไอสไต์คงจะไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราจะไม่ได้มารู้จักเขาในฐานะที่เขาเป็นอัจฉริยะเป็นตัวแทนของแค่คนฉลาดเท่านั้นแต่ว่าวันนี้ถ้าเราบอกว่าเราอยากมารู้จักเขาในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ก็มีแง่มุมที่น่าสนใจ วันนี้พี่ป่องแปงเลยไปทำกันบ้านถึงชีวิตของ a l b เบิร์ตไอน์สไตน์มาให้แล้วนะคะก็ใดๆในโลกล้นฟิสิกส์วันนี้นะคะอยู่กับฟางรัฐธโรจิตพนาค่ะและผมอาดวะรงจันทมาศครับเมื่อกี้เราคุยกันก่อนเข้ารายการว่าพี่แบบต้องไปรู้จักชีวิตเขาแบบอ่านแบบเยอะมากเลยใช่ไหมคะก่อนจะมาเป็นคลิปนี้เยอะแล้วก็รายการเนี้ยอยากให้ผมเล่าเรื่องเอาเบิร์ตไอน์สไตน์มาโดยตลอดซึ่งผมเนี่ยก็ผัดมาโดยตลอด <c oughs> คือ ท้งโปรดิวเซอร์เขาก็คิดว่าผมเนี่ยต้องรู้จักไอนสไตน์เป็นอย่างดีเนาะแต่ว่าจริงๆผมเรียนทฤษฎีของเขาไงแต่ว่าชีวิตของเขาอ่ะมันลึกซึ้งหลายแง่มุมมากแล้วอ่านมานี่ก็โอ้โหลึกจนแบบว่าเหนื่อยนะดังนั้นวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าผมจะเล่าถึงประวัติของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่บอกตรงๆว่าหลายเรื่องเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านเพิ่งจะรู้ผมเองก็เพิ่งจะรู้แล้วก็มีแง่มุมที่ บางครั้งฟังแล้วเนี่ยต้องทำใจย อ, อมรับอย่างหนึ่งว่า เ, เรื่องผลงานกับกับสิ่งที่ออกไปสู่สาธนารณชนเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึง่งแต่ชีวิตส่วนตัวเนี่ยบางครั้งมันมันอาจจะไม่ตรงกับที่หลายคนวาดฝันไว้คโอโ้โหเป็นไง เพราะว่าจริงๆแล้วไอสไตล์ก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งมนุษย์คน น, นึนงนะะ ท, ที่อาจจะมีอะลองมาฟังกันแล้วกันเดี๋ยวให้พี่บ่งแป่งเล่าให้ฟัง<ม>ว่าชีวิตของเขาเป็นยังไงเราอยากไล่ทำลายแับไหนนะคะเริ่มจากเด็กก่อนไหมคะเด็กเลยอไอสไตล์เนี่ยเกิดวันที่14มีนาคมนะฮะที่เมืองอุ่มประเทศเยอรมนีนะทีนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งครับว่าวันที่14มีนาคมเนี่ยนะเป็นวันที่ทุกวันนี้เนี่ยนักที่ิกสจะถือว่าเป็นวันสําคัญเพราะเป็นวันเกิดของไอสไตล์ เป็นวันเกิดบุคคลสำคัญที่คิดทฤษฎีที่แบบยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากมดังนั้นการที่เรียนฟิสิกส์ก็ถ้าจำวันเกิดใครไม่ได้อย่างน้อย14มีนาคมนะครับวันเกิดไอน์สไตน์แล้วก็เป็นวันแห่งค่าพายด้วย<อ>เพราะเอ่อวันมีนาคมเดือน3ใช่ไหมวันที่14ก็เป็น 3.14 ก<อ>็คือค่าพายาพยนะพอดีถือเป็นวันที่มีความสำคัญมากะนะครับแล้วก็เขาเกิดอยู่ในประเทศเยอรมนี เออในช่วงวัยเด็กเนี่ยไอสไตเป็นคนที่เรียนรู้การพูดได้ช้ามากคือปกติเด็กเนี่ยสักพักก็ออออออพูดได้แล้วแต่ไอสไตเนี่ยพูดได้ช้ามากจนผู้ปกครองเนี่ยรู้สึกเป็นกังวลแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าต้องไปหาหมอ ม, มีมีพัฒนาการช้านะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าไอสไตเนี่ยเป็นเด็กที่รู้จักตั้งคําถามสนใจเรื่องราวต่างๆในธรรมชาติมากซึ่งจุดเปลี่ยนในชีวิตของไอสไตเกิดขึ้นตอน5้าขวบครับน้องฟงัง แค่ห้าขวบชั้นชั้นอะไรอะแนวแนวแบบประถมอะไรอย่างี้ไหมน่าจะหลักแบบอนุบาลหน่อยๆอใกล้ๆประถมต้นอะไรพวกนี้นะฮะคือเขาเนี่ยนอนป่วยอยู่บนเตียงแล้วแน่นอนพอพอลูกป่วยเนี่ยพ่อแม่ก็จะรู้สึกโอ้ก็จะแบบเอาอะไรมาให้พ่อเขาเนี่ยเอาเข็มทิดมาให้ไอสตา์เป็นของขวัญตอนที่ป่วยใช่ในยุคนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่า ของเล่นมันก็เป็นของมีราคาแพงนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้หลากหลายไม่มีร้านค้ามากมายเหมือนทุกวันนี้เขาก็เอาเข็มทิศมาให้อไอสไตล์ได้รับเข็มทิศเนี่ยนะเขาเคยกล่าวไว้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเขาเลยเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกตกตะลึงมากว่าทําไมเหล็กที่เป็นเข็มทิศเนี่ยมันชี้ที่เดิมเสมออื ม, มันไม่มีแรงอะไรไปผลักไปอะไรมนเลยเรามองไม่เห็นมันมันทําให้เขารู้สึกที่สงแล้วก็รู้สึกถึงความลึกลับที่อยู่ในธรรมชาติที่อยู่ในเข็มทิศ แล้วว่ากันว่าหลังจากนั้นเนี่ยความเป็นนักทฤษศสกของเขาได้ฝังไว้ในตัวเขานับตั้งแต่เขาได้รับเข็มทิดเลยอเริ่มต้นทําให้เขาตั้งคําถามตั้งคําถา ม, มว่ามันมันเกิด อ, อะไรขึ้นกับกับเหล็กชิ้นนี้ทําไมมันถึงชี้ทิศเดียวตลอดไม่มีแรงอะไรไปทํากับมันคือที่เราเห็นไม่มีไม่ต้องมีมือไปผลักไปอะไรมันทําไมมันมันเคลียร์ทางเดิมได้มันแปลกประหลาดมากใช่แล้วตอนหกขวบก็มีจุดปเปลี่ยนชีวิตอีกครั้งหนึง่งเพราะแม่เนี่ยดันจับไปเรียนไวโอลิน เริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กเลยใช่อันนี้เคยเรียนดนตรีครับคือเมื่อก่อนตอนเด็กเนี่ยฟังเคยเล่นไวโอลินแล้วก็จะเห็นเรื่องราวของไอน์สไตน์แล้วก็จริงๆแล้วคนในบ้านวงดนตรีก็น่าจะรู้กันแหละว่า เ, เขานอกจากเป็นอัจฉริยะในทางแบบว่าเราจะเก็ตว่าเอ๊ะทางด้านสายวิทย์กับสายศิลป์มันน่าจะแยกกันแต่ว่า เ, เขาดูเป็นคนที่มีความเป็นวิทย์และศิลป์อยู่ในตัวคนเดียวนะแต่ทีนี้ต้องถามน้องฟางว่าตอนเรียนไวโอลินชอบเรียนไหมครับ ไม่ชอบเรียนครัเ <laughs> พราะอะไรครับ อ, อฟังว่ามันการเรียนมันคือการ <c oughs> ฟอสให้เราฝึกหรือว่าต้องทำให้ได้ตามสเต็ปของการเรียนไอน์สไต์ก็รู้สึกแบบนั้นมไม่ชอบไม่ชอบไม่แฮปปี้นะแล้วคุณครูที่สอนไอน์สไต์ก็เข้มงวดแล้วดนตรีเนี่ยถ้าเรียนเป็นระบบจริงๆมันเข้มงวดอย่างไวโอลินเนี่ยสอนกันตั้งแต่วิธีจับไม้เลยใช่ไ <c oughs> วิธีการใช้ท่าใช้อะไรคือมัน ไม่ด้วยระเบียบแล้วไอนสไตน์เป็นเด็กที่ไม่ชอบอยู่ในระเบียบค่ะไม่ชอบอยู่ในพิธีรีตองนะครับและเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเลยคือไม่ชอบอะไรที่เป็นพิธีรีตองไม่ชอบความอยู่ในระเบียบไม่ชอบทหารด้วยมไม่ชอบเลยไอน์สไตน์ตอนเด็กเห็นทหารแล้วไม่ชอบร้องไห้ค่ะแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ล้มเลิกในการเล่นดนตรีอ่าเขาไปเขาไปฟังโมซาร์ทเขาไปฟังเพลงซึ่งจริงๆโมซาร์ทนี่ผมพยาก เขาไปฟังอะไรแบบนั้นนะครับไปฟังเพลงยุคคลาสสิกยุคก่อนอะไรแถวนั้นแล้วรู้สึกว่าโอมันบริสุทธิ์มันไพเราะมากก็เกิดแรงบันดาลใจจะเรียนแล้วเขาก็ใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือสร้างความสุขให้ไปจนถึงออตอนเขาแก่อะไรอย่างนี้เลยนะใช่แต่ตอนแรกๆมันเขาไม่ได้ชอบนะค่ะแต่สุดท้ายแล้วพอได้เข้าไปอยู่ในวงการได้ฟังเพลงได้ยินเสียงก็เริ่มที่จะมีแรงบันดาลใจในการฝึกไปเรื่อยๆใช่แล้วของบางอย่างเนี่ยในการเรียนรู้มันอาจจะเริ่มจากความไม่ชอบก่อน แต่บางทีมันเจออะไรที่แบบกระทบกระแทกเข้ามาเนี่ยมันก็ความไม่ชอบมันเปลี่ยนเป็นชอบได้อันนี้ก็บอกท่านผู้ฟังได้เหมือนกันบางทีเราเรียนวิชาเนี่ยเราอาจจะรู้สึกไม่ชอบเลยว่ะแต่บางเราอาจจะไม่ชอบต่อไปก็ได้แต่บางทีเราอาจจะต้องให้เวลากับเขาหน่อยอนะครับไอสไตล์ตอนแรกก็ไม่ชอบไวโอลินแต่หลังๆมาเนี่ยโอ้โหกลายเป็นสิ่งที่เขารักมากมนะแล้วสคทิปมาหน่อยนึงละกันก็คือว่าไอสไตล์เนี่ยก็เรียนหนังสือนะครับ เรียนหนังสือเนี่ยเขาเรียนพวกคณิตศาสตร์เรียนอะไรได้เก่งเลยนะแม้ว่าวิชาอื่นๆที่เป็นพวกด้านด้านภาษ า, า, าอะไรเงี้ยจะไม่ได้ดีนะแต่คณิตศาสตร์ถือว่าเด่นนะไอสตีนก็เรียนหนังสือตามปกติแบบเด็กทั่วไปแต่ในที่สุดแล้วนะครับครอบครัวเนี่ยทำธุรกิจก็มีปัญหาเป็นครุอข่เกี่วกับไฟฟ้า ค, คุณพ่อก็เลยจะย้ายประเทศละไปอยู่ที่อิตาลีเพื่อสแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหมๆ่ๆก็จะทิ้งไอสตีนไปที่เยอรมันที่เมืองมิวนิกให้เรียนให้จบ แต่ด้วยความที่ไอสไตเป็นไอสไตนะครับเขาไม่ยอมหรอกเขาก็จะแบบเข้าไปหาหมอบอกให้หมอเนี่ยเขียนว่าเขาเนี่ยมีปัญหามีอาการทางจิตมีความเครียดเรียนต่อไม่ได้โอ้เปรีย้ยมไหมหวานล้อมอตอนนั้นอายุ15 <c oughs> ปีนะค่ะสิหปีทุกวันนี้คือมัธยมสามเฉียดหมอสไปหวานล้อมไปบอกหมอเขียนให้หน่อยอะไรเงี้ยมหมอก็ยอมเขียนให้แล้วเขาเองก็หนีไปที่ไปอยู่ที่โซวิตฮะแล้วก็ไปเรียนต่อที่สถาบันที่เรียกว่า โพลิเทคนิคซูริคแปลว่าเขาเองก็ไม่ได้ไปกับพ่อแม่ด้วยหรือว่าไปคะพ่อแม่ย้ายไปอยู่อิตาลีตัวเขาไปเรียนที่โพลิเทคนิคแล้วแกไปเรียนที่ที่นึงแต่ไม่ได้อยากเรียนที่เดิมอีกแล้วไมอยากเรียนที่เยอรมันแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกการเรียนการสอนที่เยอรมันเนี่ยเข้มงวดแต่ไม่ได้วยระเบียบแล้วขึ้นอย่างที่บอกเขาไม่ชอบนะแต่การนั้นก็ตามตอนไปเรียนที่โพลิเทคนิคซูริคต้องต้องบอกนี้ก่อนสถาบันโพลิเทคนิคซูริคนะฮะเป็นสถาบันที่สอนสอนอะไรก็สอนปั้นคนออกมาเป็นครูบ้างเป็นช่างเทคนิค ผลิเทคนิคไงก็อสอนช่างเทคนิคทำเป็นอะไรพวกนี้นะครับไอซ์สไตล์ก็ไปเรียนแนวนั้นไปแต่นะว่าเขาเขารู้ว่าตัวเองชอบแนวนี้มาตั้งแต่ตอนนั้นหรือเปล่าหรืออะไรที่ทําให้โหเรามุ่งมั่นเลยว่าต้องไปที่นี่ถึงขั้นย้ายประเทศไปเรียนไอ ต, ตรงนี้พูดยากก็มันน่าจะเกิดจากองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับตรงนี้ไม่ไม่แน่ใจแต่เอาเป็นว่าสถาบันเนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากต่อไอซสไตล์ค่ะใช่แล้วก็ตอนเข้าไปเรียนเนี่ยก็เรียนฟิสิกส์เก่ง พิสิกนี่เก่งเลยคณิตศาสตร์ก็โอเคเลยนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์สำคัญสองเรื่องที่ส่องผลต่อไอน์สไตน์มากเรื่องที่1คือเขาไม่ไม่อ่อนน้อมต่อครูเลยอเรียกได้ว่าไม่มีมารยาทแล้วกันอันนี้เรื่องจริงนะแล้วเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยอ่านแล้วรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เรื่องดีนะครับ ค, คือคือเราคือไม่ได้บอกว่าเราต้องประจบประแจงกันนะแต่การมีมารยาทเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ไอน์สไตน์บางทีไปเรียกครูเนี้ยแทนที่จะเรียกแบบ เคยดูแฮร r รี่พ t ตเตอร์ไหมครับค่ะเวลาเรียกครูก็จะเรียกแบบโปรเฟสเซอร์สเนปโปรเฟสเซอร์มาก่อนอาการอะไรเงี้ยมีมีชื่อตำแหน่งอะไรหน้าหนึ่งไอ้ตายไม่เขอาจอ้ตายจะแบบเฮ้ยสเนปอ๋อครูอาจารย์ก็รู้สึกว่าทำไมมันเรียกลมแบบนี้เออแล้วครูไม่ครูเกลียดอะงนี้แล้วก็หลายเรื่องคือเถียงคำไม่ตกฟ้ากอะไรเงี้ยะเถียงในเชิงแบบความรู้การเรียนอะไรเงี้โน่นนี่นั่นต่างๆไปทั่วเลยอะคือได้ชื่อว่าเป็นเด็กที่มีปัญหากับครูบาอาจารย์ ซึ่งมันจะส่งผลอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังและที่นั่นเนี่ยเขาได้คนพบผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีความสําคัญต่อชีวิตเขามากผู้หญิงคนนั้นมีชื่อว่ามิเรลวามารินะครับซึ่งเอ่อเป็นคู่ชีวิตของไอสตา์ Star ในเวลาต่อมาอนะเป็นรักครั้งแรกและเป็นคู่ชีวิตอาจจะไม่ใช่รักครั้งแรกแต่ว่าเป็นเป็นคู่ชีวิตแฟนคนแรกไม่ใช่แฟนคนแรกโอ้แจะเป็นเอาเป็นว่าเป็นคู่ชีวิตที่จะมีความสําคัญมากเหมืกันนะครับแต่ว่าคุณมิเรลวามาริกเนี่ย ก็ต้องบอกก่อนว่าเขามีบุคลิกคาแรคเตอร์อย่างไรแล้วกันเขามีบุคลิกคาแรคเตอร์ที่ไม่ได้มีหน้าตาที่โดดเด่นมไม่ได้มีบุคลิกที่น่าดึงดูดใจนักแล้วก็บุคลิกของเขาจะเป็นคนซึมซึมเศร้าๆ ม, มนหมนอึมครึมอมถ้ามองไปเนี่ยเหมือนจะมีเมฆหมอกสีดําปกคลุมอยู่ตลอดอเออดูแบบเศร้า ๆ, ๆแล้วก็ เดินกับเพลเพราะสะโพกเขาไม่ได้อยู่ในในพกสะโพกเคลื่อนไม่ค่อยอยู่ในรูปในรอยก็โดยเดิ น, <ะ> เ, ดนเดินไม่สวยอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งแต่อายซายชอบ2คนที่คุยกันรู้เรื่องมากแล้ววินเวล่ว่ามาริคเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบคณิตศาสตร์ชอบฟิสิกส์อะไรเงี้ยฮะชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันคุยเรื่องอะไรถูกคอมากนั่นอะคือความรักที่ไอายซายซีเรียสมาก<ะ>แต่แน่นอนครับความรักเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของคน2คนแต่ ทันทีที่มันจะพัฒนามากขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องของคนสองคนมันจะมีเรื่องที่บ้านมาเกี่ยวข้องอแล้ววันนี้เนี่ยพอพูดถึงความรักก็ต้องเตือนอย่างหนึ่งว่าบางครั้งฟังไปฟังไปอาจจะเกิดอารมณ์ตัดสินอะไรได้บ้างเหมือนกันซึ่งเราอาจจะไปคิดอย่างนั้นได้แต่ต้องยอมรับว่าหนึ่งคือหน้างา น, นมันเกิดอะไรขึ้นบางทีมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่ได้เห็นเห็นตรงนั้นหรืออะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ผมบอกไว้เฉยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีอะไรแบบนั้นออกมาแน่นอนตอนที่ไอสไตล์คบกับ มิเรว้ามาแอย่างจริงๆเนี่ยนะครับเรียกมิเลเว้าเฉยๆแล้วกันอที่บ้านของไอสไตล์โดยเฉพาะแม่เนี่ยไม่โอเคแม่ไม่ปลื้มนะด้วยด้วยแม่ยาไม่ลร่างกายของเธอด้วยด้วยแล้วมิเลเว้าแก่กว่า3าปีด้วยคือแต่ก่อนเนี่ยสเปคที่บ้านเลยไม่ตรงอก็ไม่ชอบไอสไตล์สนไหมสนใจไหมไม่แคร์แน่นอนระดับนี้ผขไม่แคร์อยู่แล้วมาถึงจุดนี้นะครับ ก็คบไปคบมาไม่เลยว่าท้องทีนี้การท้องเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการท้องโดยที่ไม่ได้แต่งงานเนี่ยนะครับยุคสมัยในยุคนั้นเนี่ยคือเป็นเรื่องซีเรียสมากๆซีเรียสแบบโอ้โหสุดๆทันทีที่ในการตัดสินใจว่าจะเก็บเด็กเอาไว้นะไอสตาร์ก็ต้องหาเลี้ยงละทำอะไรล่ะตอนนั้นไอสตาร์ก็ต้องหาเลี้ยงด้วยการเป็นติวต้องติวเตอร์อะไรไปนะครับ แต่ว่าสิ่งที่เขามีปัญหากับครูบาอาจารย์มันเริ่มส่งผลส่งผลยังไงคือการจะมีงานประจําที่มั่นคงเนี่ยมันมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องอได้รับการแนะนําหรือว่าไปสมัครงานแล้วต้องมีมีการได้คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะว่าแบบเด็กคนนี้ดีไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยครู <c oughs> ก็แนะนำแบบนะั้นไม่ได้เขาไปก่อเรื่องไว้เยอะนะไม่ถูกใจด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับมีคํากล่าวไว้ว่ามีเพื่อนพันคนไม่นับว่าเยอะนะครับมีศัตรูคนเดียวเนี่ยไม่นับว่าน้อย อันนี้เป็นความจริงแท้เลยซึ่งไ style ์เนี่ยมีศัตรูไม่ใช่คนเดียวศัตรูเยอะอมผมต้องการจะชี้ให้เห็นว่าบางเรื่องของไ style เนี่ยเราไม่ต้องไปเรียนแบบเขานะเพราะว่าผมมองเลยว่าถ้าไ style ์ไม่ได้เป็นไ style ์คือไม่ได้เป็นอัจฉริยะเนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นเลยว่าชีวิตลำบากซึ่งตอนนี้ก็ลำบากแล้วเพราะว่าหางานประจำยากมากแล้วไปๆมาๆเนี่ยนะครับก็โอ้โหลบากมากในการจะเลี้ยงลูกคนหนึ่ง ในการจะเลี้ยงผู้หญิงคนหนึ่งที่ท้องอยู่แล้วก็คลุกออกมาเนี่ยก็ได้ชื่อว่าลีเซนไอสไตล์เป็นลูกสาว <Ha. S 2> ซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าลีเซนไอสไตล์เป็นลูกที่ไม่ได้ถูกประกาศต่อสาธารณชนหมายถึงว่าเขาเก็บมันเป็นความลับเหรอเป็นความลับ oh. แล้วชะตากรรมที่แท้จริงของลีเซนไม่มีใครรู้ชัดเจนบ้างก็ว่าตายตั้งแต่อายุยังน้อยตั้งแต่ขวบเดียวบางอะไรบางแต่จริงๆไม่ไม่ชัดเจน อย่างาที่บอกแอบๆเอาไว้แอบไว้แต่ก็ยังเลี้ยงดูก็เลี้ยงดูอย่างไรก็ไม่รู้เพราะว่าอย่างที่บอกเขาไม่ได้มีเงินมากมายอ่ะบางที่ก็บอกตายตั้งแต่อย่างเด็กเลยอแอ บ, บบอกอะไรเงี้ยึือตรงเนี้มันเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่ไอสไตล์เก็บงําไว้ตลอดเลยนะอืออันนี้เห็นไหมดักลแล้วแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยไอสไตล์ก็มีโชคกับเขาบ้างเขาก็ไปสมัครงานที่หนึ่งนะครับหลังจากเรียนจบหลังจากเรียนจบไอสไตล์จบ จาก polytechnic สุริะแต่มิเลว่าไม่จบตรงนี้กลายเป็นแผลให้ให้มิเลว่ามากเพราะเขาอยากเรียนให้จบและอยากเข้าสู่วงการวิชาการ ม, มิเลว่าไม่จบทำให้เธอเนี่ยเศร้ามากและจากที่อมทุกอยู่แล้วนะเฉดสีดำมันดำได้อีกมันมดำขึ้นไปอีกเศร้ามากแต่อ s t ตา์ Star ได้รับงานประจำเป็นพนักงานที่สำนักงานจดสิทธิบัตรนะครับที่ที่สุริตนั่นแหละซึ่ง มันทำให้ไอสไตล์เริ่มมีมีรายได้ประจำมากขึ้นแล้วแต่เมื่อกี้พี่ปองแปงเปิดเอาไว้ว่าคนนี้เป็นคู่ชีวิตแล ว, ว่าสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่ามันจะมีมีประเด็นที่ทำให้เป็นแผลในใจแต่สองคนนี้ก็ยังคบกันต่อมาใช้ชีวิตร่วมกันร่วมกันม า, มาจนไอสไตล์เนี่ยได้เป็นพนักงานที่เป็นพนักงานคือเป็นเจ้าหน้าที่ที่จดสิทธิบัตรมีงานแล้วมีงานแล้วอพอมีงานปุ๊บก็แต่งงาน แตงานกับใครคะแต่งงานกับมิเลยว่านั่นแหละอ<ๆ>๋อโอเคเพราคนใหม่ okay. ยังยังเดี๋ยวดิคือบุมนี้ก็ต้องแอบเข้าใจเขาเหมือนกันหน่อยนึงก็ได้ว่าในช่วงแรกเขาไม่มีงานประจําชีวิตมันไม่ไมั่นไม่มัน่นคงคราวนี้พอเริ่มมั่นคงอ่ะก็แต่งงานเนาะอืมนะครับพอแต่งงานปุ๊บอ่ะยังไงดีละ่ะอ่ะมีลูกครับมีลูกอีกคนหนึ่งใช่แต่เนี่ยเป็นลูกที่เปิดเผยต่อสาธารณะอ๋อ oh. เป็นเด็กผู้ชายชื่อฮันส์ไอสไตน์เป็นลูกคนแรกแบบ ออฟฟิเชียลประกาศตัวเปิดตัวนะครับแล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปคุณฮันส์ไอส l ต์นี่จะมีบทบาทต่อชีวิตไอส์ตา์มากเลยนะอพอมีลูกปุ๊บก็ดูแลเลี้ยงลูกกันไปนะแต่ชีวิตเขาก็ไม่ได้แบบหรูวาอะไรมากเพราะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ย ซ, ซึ่งต้องบอกงี้ก่อนพนักงานจดสิทธิบัตรทำอะไร ก็ต้องมาดูตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกส่งเข้ามาว่าเอ๊ะมันดีพอจะจดสิทธิบัตรได้ไหมมันซ้ํามันอะไรหรือเปล่ามีปัญหาหรือเปล่าอะไรเงีย้ยโดยมากที่โซวิตเนี่ยก็มักจะสิทธิบัตรก็มักจะเป็นเรื่องของนาฬิกาอะไรพวกเนี้เนาะโซวิตนะโซวิต so นะครับแต่ดูแล้วมันดูไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจะไปคิดค้นทฤษฎีหรือว่าทํางานทางฝั่งขอ ง, ของแบบนักฟิสิกส์อะไรอย่างเงี้ยเลยวนะ่าแต่บางคนเ้ามองว่าเกี่ยวเพราะว่าการได้ดูแลเรื่องสิทธิบัตรเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องนาฬิกามันทําอาจจะมีส่วนทําให้ไอน์สไตน์ได้ ครุ่นคิดเรื่องราวเกี่ยวกับเวลาอแล้วมันนํามาซึ่งทฤษฎีของเขา อ, อ, อหเหมือนไม่เกี่ยวแต่จริงๆแล้วเกี่ยวอยู่ลึกๆมันแล้วแต่ตีความามืนกันตรงนี้นะครับแล้วก็ในที่สุดในช่วงที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่จดสิทธิบัตรซึ่งเอาอจริงๆตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆตรงที่ว่าการศึกษาของไอซา์เนี่ยไม่ได้จบจากสถาบันโด่งดัง ไม่ได้รับการเอสอนจากครูที่แบบได้รับรางวัลโนเบลคือพวกนักฟิสิกส์ดังๆเขาจะพูดตรงๆก็คือจะได้รับการศึกษาที่อยู่ในอยู่ในแวดวงที่ค่อนข้าง classified. มีชื่อเสียงอจะสังเกตได้ว่าใครได้รางวัลโนเบลลูกศิษย์ก็ได้อะไรเงี้ยมันเหมือน<ะ>เป็นมันเหมือนเป็นทายาทอสูรนะไอสไตน์ไม่ได้มีแต้มต่อตรงนั้นไม่มีเลยคนอื่นใช่แล้วการทํางานอยู่ในเจ้าหน้าที่คนหนึ่งฮะมันก็ คือเป็นเป็นงานที่เพลนๆมากๆเลยพูดตรงๆเลยนะไม่ได้ว่าเป็นงานที่ต้อยต่ํานะไม่ได้แบบนั้นแต่ว่ามันบางคนไม่ได้โดดเด่นนะใชออ่แล้วไม่ได้เป็นฟิสิกส์แบบฟิซิสฟิสิกส์ ม, มันเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารแล้วตรวจสอบเลยพวกนี้ค่ะแต่มีอยู่ปีหนึ่งอันนี้ไม่กล่าวไม่ได้เขาเรียกว่าปีแห่งปาฏิหารใช้คาว่าปาฏิหารค่ะเพราะว่าในปีนั้นนะครับซึ่งคือปี1905 ในชีวิตไอสไตล์ I le, เราอาจจะจำปีอะไรไม่ได้แต่ต้องจำได้ว่าปี1905ไอสไตล์ le, ตีพิมพ์ผลงานออกมา4ชิ้นซึ่งเขย่าโลกทั้ง4ชิ้นในขณะที่เป็นพนักงานจดสิทธิบัตรอยู่นั้นเขาทำงานอีกงานหนึ่งอยู่ใช่<อ>เป็นทำฟินอ๋อทำฟินทำงานอนอกนะฮะจริงๆต้องบอกเป็นงานอดิเรกเป็นฮอบบี้ที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนโลกเลยแต่ละแต่4ชิ้นนี้เนี่ยเข้าใจไม่ง่าย แต่จะพยายามอธิบายเท่าที่เท่าที่เข้าใจได้ะนะครับชิ้นที่หนึ่งอันนี้ไม่ได้เรียงไม่ได้เรียงนะฮ ะ, ะชิ้นหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบราวนี่คืออะไรคะเนี่ยชื่อโดยง่ายๆได้ไหมคะมันคือราวนี่เป็นคือมีนักครึกษาศาสตร์คนนึงเขาชื่อโรเบิร์ตบราวน์เขาสังเกตเห็นว่าละอองเกสรเนี่ยพอตกลงไปในน้ํามันจะดิ้นไปดิ้นมามันจะสั่นนิดหน่อยนิดๆๆิ้ น, น, นไปนะครับแล้วพอทิ้งไปมันจะขยับไปได้ การเคลื่อนที่แปลกๆสเปรย์สปะอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ไม่มีใครอธิบายได้อไอสไตน์อธิบายได้แครกออกมาอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนและที่สําคัญคําอธิบายของไอสไตน์นำมาซึ่งการพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าอะตอมเนี่ยมีจรงิงสามารถวัดอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับค่าคงที่ของโอวกาโรหรืออะไรพวกนี้ได้ซึ่งสําคัญมาก อ, ม อ, มอย่างที่สองเป็นคําอธิบายปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครไขได้เรียกว่าปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกค่ะ เดิมทีมนุษย์เราในยุคนั้นเชื่อว่าแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ปรากฏการโฟโตอิเล็กทริกแสดงให้ไอนสตน์ Star, อธิบายโดยมองว่าแสงอาจจะแสดงคุณสมบัติว่ามันอาจจะมีลักษณะเป็นก้อนพลังงานคล้ายๆกับเม็ดอนุภาคหรือเป็นก้อนๆที่ไม่ต่อเนื่องวิ่งมาชนกับเหล็กแล้วมันก็ทำให้อิเล็กตรอนเหล็กหลุดกระเด็นในลักษณะของลูกปืนใหญ่วิ่งมาชนได้ อ, อันนี้เรียกโฟโตอิเล็กตริกงานชิ้นที่4ชิ้นที่3 งานชิ้นที่3ามมีชื่อว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษนะครับอันนี้ก็ยาวละไว้โอกาสหน้าเล่าให้ฟังเป็นตอนหนึ่งเลยแล้วกัน<ะ>แล้วก็งานชิ้นที่4เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสมการที่เรียกว่า E ท่ากับ MC สอ<ค>งคุ้มไม่กล่าวนะเกินไปใช่ที่จะบอกว่าสมการนี้เป็นไงดังไหมดังคือดังแล้วก็กลายเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของไอน์สไตน์ไปเลยอ่ะใช่ดังนั้นปีหนึ่หรือปีแห่งปาฏิหาริย์ถือว่าเป็นปีที่สําคัญมากๆแปลว่าในปีเดียวเนี่ย ออกมาปุ่ง4ี่งานแล้วก็แบบทุกคนแบบว่าโหว้าวแล้วก็แบบเขาก็ดังขึ้นมาเลยหรือเปล่าอ่ะยังไม่ขนาดนั้นอย่างแรกเลยคือไอสไตล์ตีพิมพ์เปเปอร์เนี่ยเขาก็คือจะให้เปรี้ยวแบบตั้งชื่อเทๆ่ๆไม่ได้ครับก็ต้องเขียนค่อนข้างถ่อมตัวแล้วกันเอาอย่างนี้ออดูเพลนๆแต่จริงๆแล้วงานมันเขย่าโล่งง์การฟิสิกส์มากยังไม่ดังปรังสําหรับท่านที่อยากจะเข้าใจการขึ้นที่แบบราวนี้นี่ผมก็เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ครับ ไปตามกันนะคะกำเนิดทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์กำเ <ne uf S 2> นิดทฤษฎีควอนตัมฟิสิ <Quantum Physics. S 2> กส์เหนือ ส, <S <S สามัญสำนึกแล้วนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนอยู่แล้วก็ปรากฏการโฟโตอิเล็กตริกที่ไอน์สไตน์อธิบายอยู่นะครับว่ามันคืออะไรยังไงอ่ะไปหาอ่านกันได้แล้วกันนะแล้วก็ไอน์สไตน์เนี่ยพอพอตีพิมพ์ออกมาปุ๊บอาจจะยังไม่ดังเปรียงแต่นักฟิสิกส์ที่อยู่ในวงการเริ่มที่จะมองเห็นซึ่งสําคัญมากๆด้วยสําคัญยังไง นักฟิสิกส์คนหนึ่งที่เห็นและส่งผลต่อไอน์สไตน์ที่สุดมีชื่อว่าแม็กซ์พลังอันนี้เคยได้ยินไหมครับไม่เคยได้ยินเลยค่ะ ไ, ไม่คุ้นหูเลยค่ะแต่แม็กซ์พลังเนี่ยใครที่เรียนเรื่องควอนตัมเนี่ยจะรู้ว่าเขาเป็น เ, เหมือนจุดเริ่มต้นของของผู้ที่บุกเบิกที่สรีรวนตั้งเป็นคนแรกๆ ก, ก็ว่าได้แล้วกันแม็กซ์พลังนี่เป็นนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงก็เค้เห็นงานไอน์สไตน์เข้าก็เลยผลักดันให้ไอน์สไตน์เนี่ยได้รับปริญญาเอก การได้รับปริญญาเอกทำให้ตําแหน่งงานในการเป็นเจ้าหน้าที่จดสถิติบัตรเนี่ยได้ตําแหน่งที่สูงขึ้นการได้ตําแหน่งที่สูงขึ้นก็ทําให้ได้เงินเดือนเยอะขึ้ น, อนไอสไตล์ก็ชีวิตที่ดีขึ้ น, นแล้วเป็นแม็กซ์แพร้งนี่แหละที่พยายามผลักดันต่างๆกั น, นานะฮะมากมายไปจนโอ้โหหลายครั้งเลยแล้วต่อมาไอสไตล์ก็เริ่มทํางานวิจัยออกมามากขึ้นได้ตําแหน่งศาสตราจารย์ อ, อ่ะคราวนี้ก็เริ่มเป็นที่รู้จักในวงการวิชาการมากขึ้น แปลว่าการที่เขาเริ่มออกงานที่จากเดิมคนก็อาจจะมองว่างานประจําก็ทํำไมในมือหวาอะไรอพอเริ่มออกงานที่คิดงานฝ่นแหล ะ, อะพอทํางานฝ่นแล้วมันมี hobby hobby hobby ที่เห็นว่าเาฮ้ยมีความสามารถเริ่มเล็งเห็นก็เลยเริ่มเข้ามาสู่แวดวงนี้มากขึาาข้นเข้าสู่วงการวิจัยเต็มตัวเป็นศาสตราจารย์เป็นอะไรค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าไอน์สไตน์สอนหนังสือเนี่ยอืมถ้าให้ผมพูดนะผมผมมองว่าไอน์สไตน์ไม่ได้สอนแบบสอนดีไม่ได้สอนดูเรื่องอะตรงเนี้ย คืออัจฉริยะจะเป็นอย่างนี้นัหนหลายๆคนคือไม่ได้บอกว่าไอ้สไตแย่นะแต่ว่าบางครั้งเขารู้สึกมันง่ายคนฟังมันไม่ง่ายด้วยไงการสอนอแั่การคิดไม่เหมือนกันนะใช่อไอสไตบอกเอาแค่นี้ก็คิดออกแล้วไงก็ชัดเจนไม่ชัดเจนแล้วหนังสือที่ไอ้สไตเขียนเนี่ยเข้าใจยากนะครับคือเอามาทําเป็นหนังสือเรียนเนี่ยไม่ไหวก็ต้องรอคนเอามาซิมพลิฟายให้มันกลายเป็นหนังสือเรียนที่เหมาะสมในเวลาต่อมาเนาะ แปลว่าหลังจากนั้นเนี่ยไอน์สไตน์ก็อยู่ในแวดวงวิชาการต่อมาเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็เข้ามาลึกขึ้นเรื่อยๆด้วยในช่วงแรกๆที่ไอน์สไตน์เริ่มเริ่มเข้ามาอยู่ในแวดวงวิชาการเนี่ยก็เริ่มเกิดปัญหาหลอกหองระแหงกับภรรยาก็คือคุณมีเรย์ว่าละเพราะว่าอย่างแรกอย่างที่บอกการที่เริ่มไปบรรยายไปอะไรเงี้ยทำให้ไม่มีเวลากับกับภรรยานะกับลูกก็เริ่มแบบแล้วภรรยามีความเศร้าอยู่แล้วจากการที่ตัวเองเนี่ย เห็นไอสไตล์แบบมีชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยแล้วตัวเองเนี่ยเรียนไม่จบด้านเนี้มิเรละว่าเองต้องบอกว่าน่าสงสารคือเธอก็อยากจะเรียนจบกับเขาอยากเข้าสู่วงการวิชาการอะไรกับเขาบ้างแต่ไม่ได้เข้าแล้วสามีที่ไม่ค่อยได้ดูแลนักเนี่ยเพราะว่าต้องไปบรรยายไปเข้าแว่นวงอะไรพวกนี้ก็ทําให้เธอค่อนข้างเศร้ามากและความเศร้านั้นเนี่ยก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกเพราะว่าไอสไตล์แทนที่จะนําเวลาส่วนหนึ่งมาดูแลมิเรย์ว่า เขาก็ไปคบซ้อนอใช้คําว่าคบซ้อนทได้เลยนะครับเพราะมันคบซ้อนจริงๆเอกับคนชื่อเอลซ่าซึ่งไม่ใช่โฟเรนซ์นคนนึงมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งในช่วงเวลาที่ฉันกําลังโด่งดังใช่อซึ่งเอลซ่าก็ไม่ใช่ใครอื่นเอลซ่าเนี่ยไอสไตล์เจอมาตั้งแต่เด็กละเป็นญาติของไอสไตล์เป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับเอลซ่าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีความแตกต่างจากมิเลร ว, ว่ามากๆคือไม่เลยว่าเนี่ย เรียนมาทางฟิสิกส์ชอบคณิตศาสตร์คุยอะไรแบบนี้ได้ส่วนเอลซ่าไม่ได้อเอลซ่านี่เป็นแม่ บ, บ้านแม่เรือนเป็นผู้หญิงที่รูปร่างค่อนข้างจะทุม้มท้วมหน่อยนะครับ ม, มีน้ํามีนวล น, นะแล้วก็แก่กับไอสไตล์อีกแล้วแล้วก็คุยเรื่องฟิสฟิกส์อะไรไม่ได้เลยนะไม่รู้เรื่องไม่อะไรเลยแต่แบบ<ะ>นางก็เป็นผู้ฟังที่ดีได้นะครับไอสไตล์ก็คบกับเอลซ่าแบบแรกๆก็รับรับอยู่นะแต่ว่ามีหลังหลัง อ่ะแน่นอน <S <S 1> <S 1> <ๆ>เห็นไหมสักพักมันจะเป็นคนกระสันทำไมไ<อ>มันเริ่มแซบขึ้นเรื่อยๆทีมี<ผ>มไอสไตล์โอเคนะแต่ตอนนี้จะเห็นได้ว่าเขาเริ่มไม่มีเวลาให้กับภรรยาแล้วจุดเปลี่ยนก็เพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าคุณแม็กซ์แคล้งเนี่ยเห็นไอสไตล์เก่งนะแม็กซ์แคล้งนี่เรียกได้ว่าถ้านิวตันมีเอ็ดมันฮันเล่เป็นคนคอยสนับสนุนนะครับอไอสไตล์ก็คงมีแม็กซ์แคล้งคนหนึ่งอะที่เป็นป่าดันดันทุกอย่างดันจนได้ปริญญาเอกเข้าส่งแล้ว เสนองานให้ไอน์สไตน์นะครับเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเต็มตัวไปเลยที่เมืองอื่นนะคือต้องย้ายเมืองนักเข้าไปต่อความสัาพันอีกไอน์สไตน์ก็รับงานเพราะว่ามันได้ตังเข้าสู่วงการด้วยเลยด้วยแต่ก็ยิ่งเจอภรรยาน้อยลงเข้าไปอีกอแล้วก็ยิ่งจะทําให้ไอน์สไตน์เนี่ยได้พบปากกับเอลซ่าได้มากขึ้นนะครับเพราะไอสไตน์เขียนจดหมายหาเอลซ่าเลยว่าเนี่ยจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะแต่เอลซ่าเองก็ใช่ว่าจะแฮปปี้รู้ไมเพรอะไร อะไรลองเดาดูเพราะว่าไอซ์สายต้องย้ายเมืองแต่ได้เจอเอลซ่าบ่อยขึ้นก็น่าจะแฮปปี้สิหรือว่าไอซ์สายจะยิ่งดังขึ้นแล้วเจอผู้หญิงอื่นอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ที่แน่คือเอลซ่าเนี่ยไม่อยากมีความสัมพันธ์ลับๆคือไม่อยากเป็นเมียเก็บพูดตรงๆอยากเปิดตัวอยากเปิดตัวก็กดดันเมื่อไหร่จะไปหย่ากับเขาเนี่ยอะไรออตรงนี้จะเห็นได้ว่าไอซ์สายก็ไม่ได้ซื่อสัตย์นะครับอันนี้พูดตรงๆแต่ว่า บุคลิกของมิเลลว่าเนี่ยก็เข้าถึงยากขึ้นเรื่อยๆด้วยคือเขาก็ซึมเศร้ามากขึ้นเรื่อยๆซึ่งแทนที่เขาจะกลับไปดูแลให้ดีมากๆขึ้นเรื่อยๆก็มาอยู่กับเอลซ่ามากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ก็ห่างกันไปเรื่อยๆห่างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับใช่แล้วก็ถึงที่สุดแล้วเนี่ยไอน์สไตน์ในช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าอพบหากับเอลซ่ามาอยู่ในแวดวงวิชาการมากขึ้นแล้วช่วงนั้นเนี่ยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นมาแล้ว จะเห็นได้ว่าชีวิตของไอน์สไตน์อยู่ในช่วงของสงครา ม, มซึ่งมันเป็นช่วงที่ประวัติศาสตร์โลกมีความสำคัญมากแล้วนักฟิสิกส์ในยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่ามีบทบาทต่อประวัติศาสตร์โลกรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าตอนสงครามโลกเกิดขึ้นเนี่ยนะครับไอน์สไตน์มีมุมมองต่อสงครามว่าไม่ควรเกิดสงครา ม, มแต่ไอน์สไตน์สุดโตในลักษณะที่ว่าฝ่ายที่ลุกรานก็ต้องไม่ลุกรานฝ่ายที่ ไปต่อต้านกันรู้ว่ไม่ควรจะรุกรานคือไม่ไม่ควรเกิดสงครามเลยคือถือสันติภาพอย่างหนักเลยนะไอน์สไตน์ถึงแม้ว่าทฤษฎีที่เขาคิดเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ไปซัพพอร์ตเอาวื้ระเบิดต่างย่างอย่างยังยังยังยังไม่ถึงตอนนั้นแต่ว่ามีจุดยืนที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าชัดเจนเลยว่าเราไม่เอาสงครามไม่เอาสงคราม l เลิฟแอน e ีซ์ไอน์สไตน์เป็นอย่างนั้นน่ะแล้วช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนักฟิสิกส์ที่เป็นอัจฉริยะของเยอรมันเข้าร่วมสงคราม ในการประดิษฐ์อาวุธต่างๆให้กับเยอรมันออสไตน์ต้องตัดสินใจหรือเปล่าอย่างนี้เหมือนเส้นทางอาชีพกับความเชื่อลึกๆอุดมการ<ช>มันไม่ตรงกันซึ่งไอสไตน์ตัดสินใจเลยว่าเขาจะไม่ยุ่งแล้วก็รู้สึกผิดหวังที่เพื่อนนักฟิสิกส์เก่งๆหลายคนเนี่ยไปคิดอาวุธสงครามนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นหนึ่งในอุดมการที่ถกเถียงกันได้เหมือนกันว่าเฮ้ย ม, มันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรซึ่ง ซึ่งในช่วงแรกๆเราอาจจะรู้สึกว่ามันดีเนาะแต่เดี๋ยวหลังๆจะเห็นว่ามันน่าถกเถียงนะเพราะว่าความความรักสันติของไอสไตล์บางครั้งความไม่ชอบการเป็นเผด็จการความไม่ชอบเรื่องเกี่ยวกับทหารเรื่องอะไรพวกนี้ในมุมมองของชีวิตครอบครัวเนี่ยมันกลับตรงข้ามเพราะว่าพอไอสไตล์เนี่ยมาเจอมิเรลาทีไรนะครับก็ทะเลาะบอกแหวงแล้วไอสไตล์ก็เป็นคนประเภทที่สั่งมิเลรลาละเอียดทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่ฉันต้องการ ต้องทำงานบ้านให้ดีนะจนไปถึงขั้นที่ว่าถ้าไอสไตน์ไม่ได้บอกให้พูดดีอย่าพูดนะืะ ม, มีหลักฐานที่พิสูจน์สิ่งนั้นออว่านมเนเป็นจริงใช่ซึ่งมีเรย์ว่าก็ก็ยิ่งเศร้าโศกแล้วก็อึดอัดแต่เขาก็ยังต้องอยู่ด้วยกันเพราะว่ามีลูกแล้วแล้วไม่ใช่แค่นั้นด้วยคือลูกชายเนี่ยซึ่งเป็นลูกแบบอ f ฟ i ิ i a l คนแรกของไอสไต์คือ Han สไอสไต์เนี่ยนะครับ ในช่วงที่ไอสไตน์เริ่มเข้าสู่วงการวิชาการเนี่ยเขาก็ดังขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขาก็เลยมีลูกอีกคนชื่อเอด a r ร์ดซึ่งคราวนี้กลายเป็นลูกสองแล้วไงจะอย่าจะอะไรเนี่ยมันไม่ง่า ย, ยามันยากแล้วคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือขนบธรรมเนียมสมัยก่อนการจะยงจะหย่าอะไรมันไม่ง่ายเหมือนกับทุกวันนี้ที่เราเปิดกว้างเนาะดาราฮอลลีวูดอะไรแบบคบๆย่าย า, ย า, ยาเลิกเลิกลาลากันมั น, มน มันชิวอะแต่กระนั้นไอ้ที่ว่าชิวก็ยังแบบโหคนนั้นก็ยังมีนะมีข่าวนี่แหลไอสไต้นี่ก็แบบไม่ไม่ได้อยากกับนี่เลยว่าแล้วก็มไม่ได้มาแต่งงานกับเอลซ่าให้มันเป็นเรื่องเป็นราวสักทีแต่ทีนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งครับว่าไอสไต์เนย้ายมาอยู่ที่ทํางานใหม่ตามคําแนะนําของคุณแม็กซ์เพลนกปุ๊บนี่มันเกิดเรื่องสําคัญตรงที่ว่าไอสไต์เริ่มที่จะสร้างสรรค์งานชิ้นใหม่ที่เปลี่ยนโลกยิ่งกว่า4ชิ้นจะเรียกได้ว่าทัดเทียมหรือยิ่งกว่าก็ได้ คือจริงๆสีชิ้นในปีแห่งปฏิหารก็ต้องบอกว่าสําคัญมากแต่อันนี้มันยิ่งใหญ่สุดยอดมันคือทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปแล้วแปลว่างานชิ้นนั้นมันคือจุดที่ทําให้เขาดังและคนเรียกเขาว่าอัจฉริยะเนี่ยเป็นที่มาจากสิ่งนี้หรือเปล่าถูกต้องอแต่ตอนที่ไอน์สไตน์กาลังจะสร้างทฤษฎีนั้นขึ้นมาเนี่ยนะครับมันไอน์สไตน์แทบจะอยู่เหมือนฤาษีเลยคือต้องอยู่แบบคนเดียวหมกมุ่นคุ่นคิดแล้วที่สําคัญคื อ, อ, อไอน์สไตน์เนี่ย แม้จะเก่งคณิตศาสตร์แต่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงนะแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันเป็นอะไรที่นิวตันเขาสร้างขึ้นมายิ่งใหญ่ละแต่ว่าไอน์สไตน์เนี่ยพยายามจะพยายามจะสร้างทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปที่มันจะเปลี่ยนแปลงแรงโน้มถ่วงแบบนิวตันไปตลอดการเลยทีเดียวนะความยากของมันก็คือว่ามันใช้คณิตศาสตร์ที่ยากมากน้องฟังเคยเรียน เ, เรขาคณิตใช่ไหมฮะที่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม วงกลมมุมในสามเหลี่ยมรวมกันแล้วต้องได้กี่องศาร้อยแปดสิ่ะถูกต้องนะครับตายแล้วถ้าต่อผิดนี่เขินอยู่เหมือนกันนะไม่เป็นไรหรอกไม่ไม่ค่อยดีใช้แล้วมุมในสี่เหลี่ยมรวมกันได้เท่าไหร่ครับไม่รู้ได้เท่าไหร่อ้าสามองศาเก้องศาสาร้อยหกองศาใช่แต่ที่นี้เรขาคณิตที่ไอซายจะใช้อันนี้กําลังตื่นเต้นกับการคริสรับพลันนะฮะมันมีคริสออกมาระหว่างการพูดคุยตอบเคำถามได้โอเคแล้ว แล้วก็เส้นขนานเส้นขนานเส้นขนานเนี่ยลากไปเนี่ยนะฮะมันไม่มีวันมาบรรจบกันแต่ก็ไม่ห่างกันมากขึ้นอถูกไหมแต่เรขาคณิตที่ไอน์สไตน์ต้องใช้เนี่ยมันจะเป็นเรขาคณิตประหลาดเรขาคณิตที่เราเรียนกันเนี่ยเขาเรียกว่า Euclidean Geometry คือเราวาดอยู่บนแผ่นที่มันเรียบอเราวาดสามเหลี่ยมก็วาดอยู่บนแผ่นเรียบาเรียบเป็นสองมิติเป็นสองมิติเรียบเรียบนะครับเรียบเรียบสี่เหลี่ยมก็วาดบนแผ่นเรียบเรีย ใช่ไหมอ่าหรือว่าวาดเส้นขนานก็วาดอยู่บนเรียบเรียบค่ะแต่เรขาคณิตแบบที่ไอน์สไตน์จะใช้สร้างสัมพัทธภาพทั่วไปเรียกว่า non ยูคลิเดียนจิออเมตรีเป็นเรขาคณิตประเภทที่มุมในสามเหลี่ยมรวมกันแล้วอาจจะไม่ได้ร้อยแปดสองศาเส้นขนานอาจจะวิ่งไปชนกันได้และอาจจะแหกออกจากกันมากขึ้นได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณวาดบนพื้นผิวแบบทรงกลมบนผิวสม้มหรือคุณไปวาดสามเหลี่ยมบนผิวที่มัน มันแบบแหกๆบานๆเหมือนอานม้าอานม้ามันจะมันจะแหลมๆงินๆนะฮะเป็นแบบไหนโอ้ซึ่งอันนี้ยากมากและไอน์สไต์ไม่ไม่เก่งเรื่องนี้อตอนนั้นไอน์สไต์ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนชื่อมาเซลกอร์สแมนซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการจะบอกว่าเพื่อนสำคัญมากไอน์สไต์เป็นคนที่ผมมองว่าแม้จะหัวขนมไม่เข้ากับครูไม่เข้าอะไรแต่ไอสไต์เนี่ย มีโชคหนึ่งคือสติปัญญาดีและสองคือได้เพื่อนที่ดีมผมบอกได้เลยนะครับว่าไอน์สไตน์เนี่ยต่อให้มีสติปัญญาที่ดีแต่อัจฉริยะที่ได้รับการละเลยเราได้เราเห็นได้ทุกยุคทุกสมัยถูกไห ม, มพูดชื่อออกมาเนี่ยยาวเป็นหางว่าวเลยแต่ไอน์สไตน์โชคดีมากที่มีเพื่อนดีแม็กซ์ n พล็ก็ดันมาเซลล์ครอสแมนก็นมาสอนนอนย u คล i เดียน e o อ e เม y ให้ ซึ่งมันคืออะไรขออนุญาตพูดถึงหนังสือเล่มอีกเล่มนะครับ<ะ>ซึ่งก็คือเล่มนี้นอ้องฟางเคยอ่านแล้วใช่ไหมเคยอ่านแล้ ว, อ, ลวอ่านไปได้ครึ่งทางแล้วค่ะนะครับเก่งมากภาษาจักรวาลประบัติศาสตร์ของขนิย่าเล่มนี้จะเล่าถึงเรื่องคณิตศาสตร์แบบเข้าใจง่ายๆซึ่งจะมีเรื่องของน e อเนอคลิเดียนจิออเมทรอยู่ด้วยสนใจก็ไปหาอ่านได้แล้วกันค<ะ>่ะแต่ตรงเนี้ยเราไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นอบอกได้แค่ว่ามันยากมากมแล้วคณิต่าแบบที่ใช้สร้างมันจะเป็นคณิต่าชนิดที่เรียกว่าเทนเซอร์ แคลคูลัสอะไรพวกนี้ซึ่งแคลคูลัสที่เรียนกันเนี่ยเรียกได้ว่าง่ายมากไปเลยแคลคูลัสที่แบบเรียนกันแล้วโอ้ยากจังเลยไปเจอเรขาคณิตแบบเทนเซอร์แคลคูลัสนี่แบบนรกมากมแต่ต้องบอกว่าไอน์สไตน์สร้างสัมพัทธภาพทั่วไปตอนนั้ น, นได้อย่างยากลำบากมากๆแต่ทุกวันนี้เขาเรียนกันนอนปอตีนะปี3ปีสหรือบางคนเก่งๆปีหนึ่งปี2เริ่มเรียนกันลอเพราะว่า อย่างที่บอกนักการศึกษาหลายๆคนๆเขาก็เริ่มทำให้มันกลายเป็นบทเรียนที่ง่ายเข้ามาอยู่ในเด็กปตีเรียนกันแล้วอะ่ะค่ะอย่างเพื่อนผมเนี่ยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเด็กเรียนเขาเรียก GR เนาะ general relativity นะฮะเรียนกันแบบโห พ, พึพ่ภาพแล้วก็คำนวณกันเก่งมากมเดี๋ยวนี้แบบรันโปรกงโปรแกรมได้ผลลัพธ์ออกมาแบบโหเก่งมากไอ้ตายเห็นคงจะตกใจแบบโอ้คิดแทบตายนะแล้วก็ในตอนที่เขาคิดทฤษฎีนี้ขึ้นมายังไม่ออก ไอสต่ายได้ดำเนินการอย่างหนึ่งที่ไม่เรียกไม่ผมไม่รู้ว่าจะเรียกได้ว่าพลาดหรือหรือยังไงนะฮะแต่มันทําให้ไอสต่ายเนี่ยกดดันแล้วทําให้ไอสต่ายไม่มีความสุขแล้วทาให้ไอสต่ายเนี่ยเครียดปวดท้องซีเรียสแบบคนเครียดมากๆมันส่งผลต่อร่างกายแล้วอนั่นแหะคือสิ่งที่ไอสต่ายตัดสินใจผมเชื่อ ว, ว่ามีความผิดพลาดในส่วนหนึ่งคือดันไปบรรยายที่มหาลัยแห่งหนึ่งเรียกว่าเป็นมหาลาัยดังของเยอรมันแล้วในนั้นอะ่ะในผู้ฟังอะครับมันดันมีผู้ฟังที่เขาไม่รู้เลยว่า เรียกได้ ว, ว่าเหมือนเอาปลาไปให้แมว oh. แต่จะเรียกว่าแมวก็ไม่ใช่อ mm. เรียกว่าเอาเนื้อไปให้พยักก็แล้วกันอ mm. แต่เรียกว่าพยักก็คงไม่ใช่เป็นมังกรก็ได้โ oh. เพราะถ้าไอน์สไตน์เป็นอัจฉริยะทางฟิสิกส์คนนี้ก็คือคณิตศาสตร์ mm. คนคนนี้ยคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ในวงการวิชาการทั่วไปคือถ้าใครเรียนวิทยาศาสตร์ขึ้นมาคุณต้องรู้จักเขาแน่ๆค่ะ <c oughs> แล้วเขาเก่งมาก เก่งในระดับที่แต่บุคลิกเขาหนึ่งคือเขาไม่ได้มีคาแรคเตอร์จัดนะครับแล้วก็ชีวิตไม่ได้หล่อหกเลยอย่างไรขนาดนั้นแล้วก็เขาชื่อเดวิดฮิลเบิร์ตเดวิดฮิลเบิร์ตเป็นอัจฉริยะฟังทฤษฎีสัมพัทธภา พ, พที่ไอน์สไตน์ยังสร้างไม่เสร็จปุ๊บหัวคิดไปไกลมากแล้วอ่ะบ <คน S 1> างครั้งเดียวตั้งไขแล้วเอาไปต่อยอดได้โอ้โหข่าวเนี้ยฮิลเบิร์ตพัฒนาแบบแข่งกับไอน์สไตน์คู่ขี้เลยอ่ะซึ่งเขาไม่ได้จดลิขสิทธิ์อะไรไว้นะคะมันเอาไปต่อกันได้แบบนั้นเลยอ ความรู้ทางวิชาการเนี่ยถ้ายังไม่ออกมาเนี่ยมันก็ถือว่าอยู่ในช่วงพัฒนาถ้าฮิวเบิร์ตตีพิมพ์และตั้งชื่อสม ก, การว่าฮิวเบิร์ตอิควชันนี่จบเลยนะนะครับแล้วตอนนั้นไอน์สไตน์ก็คุยกับฮิวเบิร์ตตลอดด้วยเพื่อยบ็ยบยับถามถาเหมือนแบบเฮ้ถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยกลายเป็นแข่งกันอยู่ใช่ซึ่งกลายไปว่าฮิวเบิร์ตส่งจดหมายมาเนี่ยไม่ได้ปรานีเลยเขาบอกผมเป็นลูกเป็นล่างแล้วอะไอน์สไตน์บ ไปไม่น่าเลยอะอารมณ์มแบบนึก อ, ออกปะยิ่งเครียดหนักเข้าไปใหญ่เลยป ะ, ะแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับไอนสไตน์ก็ตีพิมพ์สัมัทธภาพทั่วไปออกมาในปีหนึ่งเก้าหนึ่งห้าพร้อมกับตัวอย่างที่ชัดเจนสวยงามซึ่งฮิวเบิร์ดเองเนี่ยก็มีการตีพิมพ์ความคืบหน้าเหมือนกันแต่ฮิวเบิร์ดส่งจดหมายมาประมาณว่าแบบก็ยินดีด้วยแล้วก็ เทคเครดิตให้ไอน์สไตน์เต็มที่ในฐานะคนที่เขาเรียกว่าอะไระริเริ่มกันละกันแล้วมีผลลัพธ์ทางฟิสิกส์ที่ชัดเจนประจับจับต้องได้เพราะไอน์สไตน์เป็นคนแรกที่เอาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ซึ่งตอนแรกมันเป็นคณิตศาสตร์เนอะสมการที่ได้เขาชื่อว่าไอน์สไตน์ฟิลด์อีควเอชันไม่ต้องเห็นหลอกมันหน้าตายยังไง<ะ>มันไม่น่ารักเหมือนอ e ีเท่ากับเอ็มซมันซับซ้อนมากมถึงขั้นที่การจะแก้มันออกมาเนี่ย ยากสุดๆแล้วไอสไตล์ก็ไม่ใช่คนแรกที่แก้ได้ด้วยอ่ะเอาเหรอใช่แต่ก็พยายามนำสมการเนี่ยไปใช้ในกรณีเฉพาะบางอย่างจนนพบว่าจนแก้ปัญหาที่ยุคนิวตันมีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งที่ไม่มีใครแก้ได้คือดาวพุธเนี่ยตอนที่มันโคจรรอบดวงอาทิตย์นะฮะปกติมันควรจะเป็นวงรีแต่ว่าดาวพุธเนี่ยแทนที่จะเป็นวงรีทั่วไปมันดันบิดออกมานิดหน่อย บ, บ, บิดไปเรื่อยๆจนกลายเป็นรูปเขาเรียกอะไรเป็นรูปแบบดอกไม้อ่ะคือปกติวงลีมันต้องสารอยเดิมใช่ปะอ๋อมันเปลี่ยนวงลีแต่ดาวพูดเนี่ยอะวงรีมันขยับมันขยับมาเรื่อยๆเป็นดอกไม้อ่ ะ, ะมันต้องไม่เป็นสิตามกฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันซึ่งนักฟิสิกในยุคช่วงของนิวตันเองก็พายายามจะบอกว่าอ๋อคุณต้องรวมผลแรงโน้มถ่วงของพวกดาวสุกโลกอะไรๆอื่นๆเข้าไปมันก็จะบิดแต่มันบิดไม่ไม่ได้ตรงกับที่เห็นถึงขั้นมีการเชื่อว่าดาวเคราะห์ ลึกลับบางดวงที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากกว่าดาวพุธชื่อดาวเฟลคันเทพเจ้าแห่งไฟเนี่ย mm hmm. ส่งผลต่อการโคจรของดาวพุธแต่จนแล้วจนรอดไม่มีใครเจอดาวเฟลคันครับผมนอกจากในสตาร์เทคนะมีดาวเฟลคันอยู่ท mm hmm. ันไหมไม่ได้ดูช่างเถอะโอเคเป็นมุก <laughs> ไม่มีใครเจอดาวอะไรแบบนั้นเลย mm hmm. จนไอซ์ตายบอกไม่มีอะดาวบอลคงวาวแค่นเลย mm hmm. แรงโน้มถ่วงจะต้องถูกแก้ใหม่เป็นสมการที่ถูกต้องขึ้น แรงโน้มถ like ่วงแบบนิวตันเป็นกรณีพิเศษสําหรับวิคฟิลด์ก็คือแรงโน้มถ่วงที่อ่อนแรงโน้มทฤษฎีของไอน์สไตน์จะกลายเป็นนิว şey ต yes ันแต่ท um SO ี่แรงโน้มถ่วงเข้มมากๆใกล้ๆดวงอาทิตย์จะต้องใช้ไอน์สไตน์นะครับก็กลายเป็นว่ามาอธิบายสิ่งที่ก่อนหน้านั้นมันอธิบายไม่ได้ถูกต้องแล้วมันเจ๋งมากค่ะและที่สําคัญมันยังเมคสิ่งที่เรียกว่า Prediction คือทฤษฎีฟิสิกส์ที่ดีมันไม่ใช่แค่อธิบายสิ่งที่มี มันจะต้องทํานายสิ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นซึ่งทฤษฎีของไอน์สไตน์ตอนนั้นอธิบายไอสไตน์คํานวณออกมาพบว่าถ้าแสงเดินทางเฉียดดวงอาทิตย์นะฮะซึ่งมีมวลมากแรงโน้มถ่วงเข้มมากเนี่ยมันจะทำให้แสงเดินทางเป็นเส้นโค้งได้อปกติแสงต้องวิ่งเป็นเส้นตรงแต่แรงโน้มถ่วงแบบนิวตันชี้ว่าแสงก็อาจจะโค้งได้แต่ไม่ไม่ตรงกับที่ไอสไตน์คํานวณด้วยสัมพัทธภาพทั่วไปใครจะถูกจะผิดตรงนี้จะต้องทําการทดลองตัดสินละ นี่แหละคือดราม่าย่างหนักเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ชอบไอสไตล์ก็ไม่เชื่อและหลายๆคนก็พยายามหักล้างโดยตลอดอนะครับตอนนั้นเนี่ยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งใกล้จะสิ้นสุดแล้วบรรยากาศทางสงครามมันเริ่มคือพอเกิดสงครามมาครับทุกฟังมันคล้ายๆเกิดโรคระบาดโควิดอ่ะมันเดินทางข้ามพรมแดนไม่ง่ายแต่พอสงครามมันเริ่มจะสงบคือการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มง่ายขึ้น ก็มีนักฟิสิกส์จากอังกฤษคนหนึ่งซึ่งโด่งดังจากเรื่องอการศึกษาธรรมชาติเกี่ยวกับดาวเร่คนนี้ก็น่าพูดถึงนะชื่อเซอร์อาร์เธอร์เอ็ดดิงตันทฤษฎีกับดาวเร่อะไรต่างๆเนี่ยเอ็ดดิงตันถือว่าเป็นเจ้าพ่อเลยดังสุดๆได้แล้ว<ะ>แล้วเอ็ดดิงตันเนี่ยก็เสนอว่าเขาจะไปดูปรากฏการหนึ่งเพื่อทดสอบว่าไอน์สไตน์ถูกหรือผิดอ๋อมาตัดสินกันว่านิวตันหรือไอน์สไตน์ใครถูกใครผิดถูกต้อง แต่ปัญหาก็คือว่าแสงจากดาวฤกษ์เวลามาเฉียดดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะโค้งแต่ตอนที่มันโค้งเนี่ยเวลามองไปที่แสงเนี่ยมันมันมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมองไปทางดวงอาทิตย์และการมองไปทางดวงอาทิตย์เราไม่เห็นแสงดาวเนี่ยแล้วจะทำยังไงดีคาตอบก็คือจะต้องมองดาวตอนกลางวันให้ได้ซึ่งก็คือตอนเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง<อ>เพราะตอนนั้นเนี่ย แสงจากดาวที่มันเฉียดเข้าดวงอาทิตย์เนี่ยมันโคง้งแล้วเรายังเห็นดาวอยู่แม้จะมีการปรากฏของดวงอาทิตย์อืมอาเธอร์อิดิงตันเดินทางไปที่เกาะปินซิปีนะครับซึ่งอยู่ในชายฝั่งของแอฟริกานะเออไปไปที่นั่นเดินทางไปไกลมากไปไปดูไอสไตน์ I le, ตอนนั้นก็ตื่นเต้นร้อนรอนพอสมควรว่าแบบผลจะเป็นยังไงแต่ว่าถึงที่สุดแล้วอาเธอร์อดิงตันค้นพบว่าแสงเดินทางเป็นเส้นโคง้งถูกต้องตามทฤษฎี ทำพัฒนาภาพทั่วไปที่ไอสไตทำนายไว้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วว่าเจ๋งทํานายแล้วเกิดจริงอ่ะเจ๋งกว่าอสุดยอดแปลว่าคุณเอ็ดดิงตันเนี่ยเป็นผู้ที่มาพิสูจน์ให้เห็นและทุกคนก็ยอมรับจากการที่เขาเนี่ยออทาให้เห็นว่าทฤษฎีนั้นมันถูกต้องจริงนะไอสไต์ I คิดถูกใช่แล้วหนังสือพิมพ์ก็ลงกันคลึกโครมมากบางทีถึงขั้นบอกเลยว่านิวตันเนี่ยทฤษฎีนิวตันถูกโค่นลม้มพลาดหัวอย่างนั้น รุนแรงมากนิวตันผู้ยิ่งใหญ่แต่ส่วนตัวผมไม่มองว่าเขาถูกโคนล้มนะมคือเขาถูกต่อยอดอผมชอบนิวตันด้วยแต่จะมองว่าไม่ถูกโค่ล้มเลยก็ไม่ได้คือแม้ว่าผลที่ได้จากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเนี่ยมันจะเกิดในที่แรงโน้มถ่วงเข้มมากๆหรือ strong field แต่ผลอื่นๆเนี่ยนิวตันไม่ได้ทํำนายไว้และที่สําคัญคือมุมมองของเอกพภพที่สัมพัทธภาพที่เศษและทั่วไปมีเนี่ยมันต่างจากนิวตันอย่างสิ้นเชิงก็ว่าได้ นะครับตรงนี้ว่ามีโอกาสก็จะเล่าให้ฟังในครั้งถัดไปแล้วกันแต่ว่าเอาเป็นว่ามันเปลี่ยนวิธีมองโลกวิธีมองเองกภพบไปอย่างสิ้นเชิงเลย ม, มันมันสุดยอดมากออันนี้มันยิ่งกว่าปีปฏิหารนั้นอีกหลายเท่าแล้วชีวิตเขานี่น่าจะแบบเปลี่ยนไปเลยปะคะนนสำหรับชีวิตไอสไตล์คราวนี้ดังแบบเป็นพลุแตกไอสไตล์เดินสายโชว์ตัวบรรยายที่อเมริกาครับคราวนี้โอ้โหคราวนี้ครับคือเออ ทางแค่ไหนอะเหรอมีรถแห่รู้จักรถแห่มมีรถรถแห่จริงๆนะมีรถนำาขบวนมีรถแห่มีมีแต่เตอร์ปโคมีแบบคนอีดแบบเอลวิสอะเอลวิสจริงๆและแทบจะไม่เคยมีนักวิทยาศาสตร์คนไหนที่ที่อยู่ในโพซิชันนิ่งแบบอยู่ในลักษณะการปรากฏตัวแบบดาราแบบนั้นผมนึกไม่ออกนิวตันไม่ใช่เก็บตัวมากใครอีกอะเบนจามินแฟรงินเหรอโอ้ไม่ใช่เป็นรัฐบุรุษก็จริงนะแต่ไม่ใช่ สไตล์อ่ะเป็นเซเลบโด่งดังแบบจริงๆแต่ชีวิตเซเลบแบบเนี้ยมันแบบมันดูแบบว่าทุกคนยอมรับเชื่อถือประสบความสําเร็จในอาชีพการงานแต่ดราม่าในชีวิตจริงเขายังมีอยู่ใช่ไหมพี่ผมแน่นอนนะครับและเราทิ้งเรื่องนี้ไม่ได้ครับเรื่องแซบแซบแบบนี้นะฮะ <c oughs> ตอนแรกคิดเหมือนกันนะเอามาเล่าดีไหมแต่มันมไม่เล่าไม่ได้ชีวิตมันต้องมีหลายมุ ม, มแล้วที่สําคัญผมก็ต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าฟังแล้วก็อย่าอินมากคือมันเป็นเรื่อง โอ้โหไม่มีๆๆนะแต่ว่าตอนนั้นไอสไตล์ดังมากแล้วไปโชว์ตัวที่อเมริกาเนี่ยโชว์ตัวทําอะไรรู้ไหมทําอะไรคะไปบรรยายโน่นนี่นั่นเป็นภาษาเยอรมันด้วยนะคนก็นมาฟังรู้เรื่องบางไม่รู้เรื่องบ้างก็ฟังก็โอ้โหปราบเรื่มกันใหญ่นะครับแล้วก็หลักๆแล้วการไปโชว์ตัวที่อเมริกาตอนนั้นทําไปเพื่อระดมทุนหาทุนให้กับชาวยิวซึ่งตอนนั้นทุนก็เอาส่วนหนึ่งก็เอาไปเพื่อชาวยิวที่อยากจะย้ายไปอยู่ปาเลสไตน์อะไรพวกนี้นะมันมีบทบาทพวกนี้ด้วยค่ะนะ ไอสไตน์เริ่มดังคราวนี้กลับมาที่เรื่องส่วนตัวใช่ไห ม, มจะกลับมาที่ส่วนตัวแล้วนะไอสไตน์ก็เริ่มมามาพูดคุยกับมิเรว่าเพราะว่าตอนนั้นเอลซ่าก็เริ่มกดดันนะครับหนักมากเอาอยัางไงเอาให้ชัดเจนชัดเจนหน่อยสิจะแต่งไม่แต่งอะไรยังไงมิเลเว่าก็เศร้าน่ะสุดท้ายไอสไตน์ก็ทําสัญญาหย่ากับมิเรว่าโดยที่ในสัญญานั้นเนี่ยไอสไตน์มองบางอย่างถึงตัวเองว่าตัวเองน่าจะได้รางวัลโนเบลแล้ว งานมันมาขนาดนี้ไม่ได้ก็แย่และเลยบอกมิเรย์ว่าว่าถ้าได้รางวัลโนเบลเนี่ยเงินทั้งหมดจะให้มิเลย์วาดทั้งหมดซึ่งมันเป็นเงินมหาศาลมากๆ ม, มิเลย์วาดก็เลยยอมก็ ค, คือไม่ต้องกังวลเรื่องการใ ช, ช้ชีวิตเลยเพราะเงินเยอะมากส่วนเอลซาก็ได้แต่งงานกับไอน์สไตน์นะครับสมตามความต้องการแล้วคราวนี้ก็เปิดตัวแล้วครับอือ <laughs> ประมาณนั้นทีนี้มันเกิดเรื่องตลกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่รู้จะตลกหรือเปล่าก็คือว่า พอแต่งงานกับเอลซ่าขึ้นมาเนี่ยความสัมพันธ์ต่างๆมันดีขึ้นกับลูกชายก็ดีขึ้นอะไรก็ดีขึ้นคือผมเมาว่าทําไมไม่แต่งคือทําไมไม่อยาดอยากให้และแต่งให้ให้จบจบไปทั้งนานแล้วอะชัดเจนไปแต่แรกก็จบแล้วนึกออกไหมเอลซ่าก็สบายใจมิเรว่าก็สบายใจลูกก็อ่ ก, ก็มีเวลาให้เขาเยอะขึ้นอนะครับฟังๆดูแล้วชีวิตดีแล้วนะคะแบบไอสไตล์แฮปปี้ภรรยาแฮปปี้ภรรยาใหม่ก็โอเคอลูกก็โอเคก็ดีขึ้นดีขึ้นใช่แต่ว่า เราจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเลยไหมคะอ๋ออย่างครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าแม้ว่าไอน์สไตน์จะคิดทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปแล้วได้รับการยืนยันแล้วแล้วก็อะไรต่างๆก็พอเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยนะแต่ตอนนั้นเนี่ยไอ e สไตน์เนี่ยยังไม่ได้รับรางวัลโนเบลสถทียังไม่ได้นานมากซึ่งถามว่าทำไมไม่ได้รับรางวัลโนเบลทั้งที่ผลงานเยอะอและเปลี่ยนโลกฟิสิกส์มากเรื่องนี้เอาจงจริงเป็น เป็นหนึ่งในความลับเหมือนกันเพราะว่าการจะไปล่วงรู้เรื่องการทํางานเหตุผลของคณะกรรมการรางวัลโนเบลนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายก็มีทฤษฎีต่างๆนะครับคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือไอน์สไตน์เนี่ยหนึ่งคือมีเพื่อนเยอะก็จริงแต่เขาก็มีศัตรูหรือคนไม่ชอบเยอะอมันมีหนังสือออกมานะครับน้องฟางเป็นหนังสือเยอรมันเขียนว่าหนึ่งผู้ไม่เชื่อไอน์สไตน์ออกมาเขียนน่ะแล้ไม่ตัวกันแล้วจวมโจมตีสัมพัธภาพด้วยว่าไม่เชื่ออะไรเงี้ย ไอสไตล์เองก็มีบุคลิกที่อย่างที่บอกนะเป็นกบฏเป็นอะไรมันก็เป็นแล้ว ม, มีมุมมองทางสันติภาพที่ที่ค่อนข้างสุดโตงซึ่งก็คนก็มีไม่ชอบมีอะไระแต่ที่สําคัญคือก็เป็นไปได้ที่คนจะหมั่นไส้นะนี่คือหมายความว่าเก่งจังไอเก่งไม่เท่าไหร่แต่แบบดังแบบว่าแบบโอ้โหมีรถ้องรถแห่มัมนคื อ, ค, อคือมันคล้ายๆกับว่าคุณอยู่ในวงการวิชาการแต่คุณกลายเป็นเซเล็บแล้วคุณแบบ คุณดื่มดำดูแล้วก็ดูแบบดูไม่เป็นนักวิชาการนะรวมทั้งมีความเชื่อที่ว่าสัมภัติภาพเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทฤษฎีที่ดีขนาดนั้นเลยแบบนี้นะครับก็คือเหมือนคนชอบเยอะแต่คนก็ยังไม่ชอบและพยายามที่จะแบบต่อต้านหรือว่าหาข้ อ, อแบบโต้แย้งกันเยอะอยู่รางวัลโนเบลก็เซฟตัวเองมากเพราะว่ามันเป็นรางวัลที่เก่าแก่เนาะเออร์เขาตั้งไว้แล้วก็ มันเป็นรางวัลที่เรียกได้ ว, ว่าถึงวันนี้ก็ยังยิ่งใหญ่ที่สุดมากๆในโลกวิทยาศาสตร์น ะ, ะเพราะเขาต้องเซฟตัวเองไม่แล้วคิดมาดีมากแต่สุดท้ายก็มีทางออกคือเขาก็ให้ไอน์สไตน์แลยแต่ในที่สุดก็ได้รับรางวัลโนเบลและไม่ได้รับจากทฤษฎสีสัมพัทธภาพเลยเอาล่ะคะใช่ไปได้รับจากปรากฏการ์โฟโตอิเล็กตริกซึ่งถามว่าสําคัญไหมทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันแหละว่าสําคัญมากแต่ไม่เท่าสัมพัทธภาพ แต่มันอาจจะเป็นเวที่เซฟกว่าหรือเปล่าหรืออะไรต่อรางวัลโดเบลต่ออะไรต่างๆนานาคราวนี้พอได้รางวัลโดเบลไอสไตล์ก็เอาเงินมหาศาลก้อนนี้ให้มิเลลว่าตามสัญญาใช่ตรงนี้ก็มีการตีความว่าหรือมิเลลว่ามีส่วนในงานของไอสไตล์บ้างนะไอสไตล์เลยเอาไปให้หรืออะไแต่จริงๆหลักๆหลักใหญ่ใจความก็คือไอสไตล์ได้สัญญาไว้ว่าจะให้นะครับทีนี้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาในชีวิตของไอสไตล์ที่อายุประมาณตอนนั้นก็ประมาณ50 กว่าปีละนะตอนนั้นเนี่ยเกิดเรื่องใหญ่ที่ทำให้มุมมองทางสันติภาพของไอน์สไตน์เนี่ยสั่นคลอนมากมก็คือการเกิดขึ้นมาของสงครามโลกครั้งที่สองและการมีอำนาจของอดอล์ฟฮิตเลอร์ซึ่งคนคนนี้ต้องบอกว่าโหดร้ายนะแล้วก็ส่งผลต่อสงครามอย่างมากแล้วทำให้ไอน์สไตน์เนี่ยย้ายไปอยู่อเมริกาที่พร<ะ>ินส์ตันแต่ว่าการมาถึงของอดอล์ฟฮิตเลอร์ ที่แบบโหทำสงคารามเต็มรูปแบบแล้วมีการฆ่าล้างชาวยูนอย่างนี้นะมาทําให้ไอสไตล์ไม่สันติแล้วครับรไม่เอาสันติแล้ว <ละ S 2> ครับไม่ละร่างจดหมายขึ้นมามถึงประธานนายทบเีรูสเปลโดยมีนักปฎิยาศาสตร์นักฟิสิกส์คอยช่วยกันร่างกลาเป็นอย่างดีและการจะส่งจดหมายถึงประธา น, นายทะดีไม่ใช่ร่างเสร็จส่งจดหมายปิดผนึกแล้วใส่ซองแล้วทิ้งตู้ไปสี่ไม่ใช่นะครับ มันอาจจะไม่ถึง ม, มันต้องมีสายสนกลไ น, นในการส่งตรงนี้ก็น่าสนใจแต่สุดท้ายก็จดหมายไปถึงประธานดีดีเขาเขียนใจความถึงอะไรคะว่ามันเป็นไปได้นะที่เยอรมันเนี่ยจะสร้างระเบิดชนิดใหม่ที่โลกไม่เคยมีมนั่นก็คือระเบิดปรมาณูดังนั้นอเมริกาควรจะตั้งทีมงานศึกษาอย่างจริงจังและรีบผลิตอะไรเงี้ยต้องผลิตออกมาเพราะถ้าเยอรมันสร้างได้ก่อน เลยนะอโลกจะกลายเป็นแบบหนังเรื่องอะไรสักเรื่องอะ่ะที่ผมเคยดูหนังเรื่องหนึ่งที่แบบเยอรมันชนะสงครามตอนนั้นนี่นาซีพรรคนาซีชนะสงครามอะ่ะแล้วโลกกลายเป็นแบบ อ, อีกแบบอีกอแบบหนึ่งทีนี้นไอสไตล์ก็หวาดกลัวอะไรแบบนั้นก็บอกให้ปไปทำหน้าทีศึกษาปราธานิสเบียก็ตั้งโครงการนะฮะมุโครงการแมนฮัตตันเคยได้ยินไหมเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อสร้างะระเบิดปรมาณูให้ได้อื ถ้าถ้าเรากลับไปย้อนดูการตัดสินใจของไอสไตล์ le, ที่บอกว่าไม่สันติภาพแล้วจ้านี่เหรอเอ้าฟังกําลังคิดว่าหรือจริงๆเนี่ยมันคือจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปตอนต้นเนี่ยที่พี่ปงแปงแล้วว่าเขาเองไม่ชอบผด็จการแล้วคาแรคเตอร์ของอดอลฟ์ฮิตเลอร์เนี่ยหรือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคือใช่เลยกับสิ่งที่เขาต่อต้านเลยสุดๆเขาเลยตัดสินใจที่โอเคเราเป็นเครื่องมือหรือเส้นทางหนึ่งในการต่อต้านสิ่งนี้หรือเปล่า แต่แต่มุมมองสันติภาพถ้าจะเอาแบบไอน์สไตน์ในยุคแรกเริ่มจริงๆเนี่ยคุณต้องไม่เกี่ยวกับสงครามและคุณจะต้องพยายามทําให้ทุกคนหยุดสงครามแต่อดอพเพนเลอร์ไม่มีทางอยู่แล้วไงก็ดูอินฟอร์กูดอาจจะรู้สึกว่าการทําสิ่งนี้เพื่อต่อต้านสิ่งที่แย่กว่าจะเป็ไปไดทีนี้โครงการแมนฮัตตันเนี่ยก็หัวหน้าโครงการนะฮะซึ่งเป็นนักฟิสิกส์อัจฉริยะคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่เก่งทุกเรื่องชื่อโรบอตเจออเพนไฮเมอร์ คนนี้นี่ก็กาลังจะเป็นหนังนะชีวิตจะเป็นหนังของคุณคทิโตเฟอร์โนแลนด์นะครับก็ชีวิตคนนี้ดราม่ามากจะเป็นอัจฉริยะที่เก่งเก่งมันทุกด้านจริงๆคนเนี้แล้วก็<ะ>เก่งแม้กระทั่งวรรณกรรมอะไรเพือเก่งไปหมดเลยนะแต่ชีวิตดราม่ามากไอ้เรื่องนี้ก็ไว้ว่ากันนะครับแต่สุดท้ายอเมริกาก็ผลิดระเบิดปรมาณูได้สําเร็จแล้วก็เอาไปทิ้งที่ญี่ปุ่นตามตามที่เรารู้ในประวัติศาสตร์นะไอน์สไตน์มารู้ทีหลังว่าเยอรมันเนี่ย ไม่ได้จะสร้างเลยนะฮะคือแบบอ้าวอะไรเงี้ยก็รู้สึกเสียใจนะเพราะว่าผลของระเบิดเนี่ยมันมันเป็นระเบิดที่มนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วมันรุนแรงมากมันรุนแรงต่อเนื่องยาวนานแล้วมันทิ้งบาดแผลกระมันตะลังศีและอื่นๆและอื่นๆแล้วมันเป็นระเบิดที่มันไม่เลือกทำลายฝ่ายทหารพลเรือนอะไรมันทำลายทั้งหมด นะครับคือมันโหดร้ายมากๆดังนั้นไอน์สไตน์เนี่ยก็ค่อนข้างเสียใจกับเรื่องนี้เหมือนการตัดสินใจที่เราทำไปเอ้าผิดคาดไม่เป็นอย่างที่คิดเอาไว้ในบุมมองผมนะและไม่ใช่แค่ผมอย่างเดียวคือหลายๆคนที่เป็นนักประวัติศาสตร์เขามองว่าถ้าไม่มีระเบิดนะแล้วสงครามยาวนานไปอีกเพอเพอคนอาจจะตายมากกว่า น, นั้นก็ได้อันนี้ก็พูดกันไปในเรื่องที่มันไม่เกิดขึ้นน ะ, ะแต่ตอนนี้ขอ r a up ว่าไอสไต์ในช่วงหลังๆของชีวิตเนี่ย ก็พยายามจะทำตามความฝันอย่างหนึ่งให้สำเร็จเ น, นั่นคือการสร้างทฤษฎีที่เรียกว่า u n i f ฟายทฤษฎหรือทฤษฎีสนามรว ม, มก็คือพยายามจะรวม Interaction หรือแรงต่างๆในเอกภพที่มันมีอยู่หลายอย่างนี้ให้กลายเป็นกรอบทฤษฎีเดียวให้ได้นะครับซึ่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตไอน์สไตน์ก็ทำไม่ได้ ม, มันเป็นสิ่งที่ยากมากแล้วก็ทุกวันนี้นะฟิสิกส์ก็พยายามไปได้ คืแรงพื้นฐานมันมี4แรงเนาะแล้วว<ะ>ิศว์ศึกษาไปละเอียดแล้วประมาณ3แรงนะฮะแต่ว่าอีกแรงหนึ่งคือแรงโน้มถ่วงนี่ยังไม่สามารถเอามาอยู่ในกรอบทฤษฎีเดียวกันได้ซึ่งก็คือสัมพัธภาพทั่วไปนี่แหละแปลแตกต่างจากชาวบ้านเขามากะนะครับเอามารวมกับควอนตัมไม่ได้สักที อ, อะไรแบบนั้นตรงนี้ก็เป็นความฝันของไอน์สไตน์ที่ยังไม่สําเร็จจน ถ, ถึงทุกวันนี้และไอน์สไตน์ก็เสียชีวิตในวันที่18เมษายนจากการที่หลอดเลือดแดงในช่องท้องนี่มันแตกนะก็เสียชีวิตไป เราจะเห็นได้ว่านับจากวันแรกตอนหขวบที่เขาได้เข็มทิศมาจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยในมุมมองของชีวิตของคนที่เป็นอัจฉริยะเขาได้สร้างสรรค์ผลงานไปเยอะมากแต่อย่างที่บอกมนุษย์ก็คือมนุษย์ น, ยนะครับ ม, มันไม่ได้สวยงามไปทุกด้านมันไม่ได้เราอาจจะกล่าวไม่ได้ว่าเขาเป็นคนดีเลิศพร้อมไปซะทุกด้านแต่ในด้านที่เขาอุทิศให้ฟิสิกส์เนี่ยมันก็มากหมายมหาศาลและที่สําคัญที่สุดก็คือ ไอสไตน์เองก็ผิดเยอะมากคือในแง่ของการใช้ชีวิตเนี่ยผมเองคงไม่สามารถไปตัดสินเขาได้แต่ในแง่ของทฤษฎีฟิสิกส์ไอน์สไตน์ผิดเยอะเลยในมุมมองเชิงควอนตัมที่เขาไม่ชอบออความไม่แน่นอนของควอนตัมหรืออะไรต่างๆทุกวันนี้ไอน์สไตน์เขาก็รู้แล้วว่าผิดมุมอมองเกี่ยวกับเอกภพที่เขาไม่เชื่อว่าเอกภพควรจะมีจุดกําเนิดที่เรียกว่า Big Bang ทุกวันนี้เราก็เชื่อทฤษฎี Big Bang ยังมีอีกหลายเรื่องฮะที่ไอน์สไตน์ผิดแต่มันไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยเพราะว่าอย่างที่บอก คุณอุปการที่เขาได้สร้างสรรค์มาให้กับโลกใบนี้มันยิ่งใหญ่มากจริงๆถึงแม้เรื่องที่เราคุยกันมามันจะค่อนข้างยาวแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนคนหนึ่งเนาะที่เราอาจจะเคยรู้จักเขาแค่ในนามของอัจฉริยะแต่ว่าวันนี้เราเห็นด้านที่บางรู้สึกว่าความสําเร็จหรือว่าสิ่งที่เขาทําได้แล้วโด่งดังในชีวิตอะมันมาซึ่งการละทิ้งบางอย่างและมีบางคนที่ต้อง ที่ต้องรับสิ่งนั้นน่ะที่เขาละทิ้งไปในชีวิตด้วยเหมือนกันก็เป็นชีวิตที่น่าสนใจมากๆากเลยนะคะวันนี้เหมือนได้มาคุยถึงมนุษย์คนหนึ่งอะ่ะที่ที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะแล้วก็พี่ปงแปงทำกันบ้านมาให้เราอย่างอย่างนักนวงนะคะ ใ, <ช>ในวันนี้ถ้าใครดูไม่จบดูแล้วดูอีกดูยังไงก็ได้คะ่ะให้คุ้มค่ากับความพยายามของพี่ปองแปงในวันนี้ด้วยเลนะครับผมโอเคได้คะ่ะวันนี้ก็เป็นคลิปที่เราอยากเอามาฝากทุกทคนนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์ออกไป ให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังแล้วก็อย่าลืม Subscribe นะคะที่ YouTube แนลของ t h อ Standard Podcast แล้วก็ติดตามพวกเรานะคะใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์ได้ในทุกๆช่องทาง Podcast Player เลยนะคะวันนี้ฟังแล้วก็พี่ป๋องแป๋งลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears